สวัสดีค่ะขอตรับพระสู่รการธรรมนิยามค่ะความจริงทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะวันนี้ธรรมนิยามมาที่วัดนาปรับคงอยู่ที่ครองสิบลาลูกาปฐุมธานีนะคะที่นี่หลายๆท่านค่ะถามดิฉันว่าเมื่อไร่จะมาคุยกับพระอาจารย์คือกฤตสศรติพโลเจ้าวาดวัดนาป่าคงพระูเจ้าท่านศึกษาในเรื่องพุทธวจนะธรรมวิไนยจากพุทธโอษฐแล้วก็เน้นย้ําในเรื่องนี้กับ พุทศาสนิกชนที่เข้ามาที่วัดนาป่าพงแห่งนี้นะคะและวันนี้ดิฉันก <c oughs, S 2> ็จะสนทนาธรรมกับท่านค่ะกราดรัศการค่ะพระอาจารย์ค่ะเจนพรนค่ะวัดนาป่าพงยังเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มาเยี่ยมสองปีแล้วปีแล้วน้ำท่วมเยอะไหมคะก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าจะมีพระพิสุกมาจามรษาเยอะอ่าค่ะกี่รูปครับปีนี้ก็สี่สี่สิบกว่าสี่สิบกว่า การสอนธรรมะจากพุทธวจนะนะเมื่อกีโยมได้ดูหนังสือที่ทางวัดได้ทำพุทธวจนะอย่างชุดนี้ทั้งหมดสิบเล่มเป็น1งชุดพุทธวจนะลหลายเรื่องน่าสนใจหมดเลยค่ะหลายๆเรื่องน่าสนใจหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฐมธรรมอินทรสังวรอนาปานสติการแก้ขกรรมได้จริงหรือมักมักแปดแบบง่ายหรือคะและการก้าวย่างอย่างพุทธ แต่ว่าวันนี้ในฐานะที่เป็นคาราวาชขอหยิบเล่อ น, นี้มา uh huh. สนทนากันค uh huh. าราวาชชั้นเลิศ uh huh. เปิดดูหัวข้อข้างในนะคะน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ว่าวิธีการตรวจสอบคำเป็นคําของพระผู้มีพระพเจ้าหรือไม่คาราวาชครับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีการดํารงชีพชอบโดยที่ถก ข, ของคารวาชทุกอย่างน่าสนใจหมดแต่เวลาสั้นๆน่ยนะคะเราก็คงจะหยิบเรื่องที่ ที่คิดว่าหลายๆท่านคงสงสัยอยู่อะค่ะ uh huh. เอามาศนทนาทรรกับท่านก่อนคารวาตคับแคบเป็นทางมาแห่งทุรีขออธิบายความตรงนี้หน่อยเถอะค่ะก็คือพระองค์หมายถึงความเป็นคารวาตเนี่ยคับแคบในความเป็นกุศลนะคือหาหากุศลได้ยากแล้วก็เป็นทางมาเป็นทางมาแห่งทุรีเนี่ยคือคเป็นทางมาแห่งอักุศลทั้งหลายเนี่ยได้ง่ายดังนั้นหลายๆคนจึงบอกแหมรักษาสินท่ายาก ใช่ไหมอ่าติดโน่นติดนี่อย่างนี้เราจะหาความเป็นคุลสักนิดเนี่ยมันก็ยังยากะนะก็เลยพระองค์เลยบัญญัติว่าคารวะเนี่ยขับแคบแล้วก็เป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเนี่ยเป็นโอกาสว่างบรรพชาใช่เป็นโอกาสเป็นโอกาสว่างอ่าคือมีเวลาว่างมากเป็นโอกาสละที่เราจะปารบความเพียรเพื่อให้เข้าถึงความไม่ตายอย่างี้ คารวะคับแคบใช่ต้องบรรปชายอย่างเดียวหรอคะก็ไม่ถึงกับอย่างเดียวเพียงแต่มันทําได้ยากพระเจ้าบอกว่าการที่จะทําให้บริสุทธิ์บริรบรูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดดีแล้วเนะี่ยทำได้ยากค่ ะ, ะแต่ทีนี้เมื่อเรายัางถือการเป็นคารวะอยู่อุตตวจะนะได้ตรัสไว้ว่าอย่างไรคะที่จะทําให้ชีวิตคารวะเนี่ยมีความสุขบ้างอะค ะ, ะค่ ะ, ะจริงจริ ง, รงตรัสไว้เยอะค่ะ ก็คือพระองค์บอกว่าคนเราเนี่ยเจริญทั้งสองทางได้เจริญด้วยบุตรภรรยาฆ่าทาตกรรมกรทรัพย์อันเต็มทนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันก็เจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลนะการสังสมสุตตะคือได้ยินได้ฟังมากเจริญด้วยจารค้าการเสียสละเจริญด้วยปัญญาถ้าคนมีคุณธรรมตรงเนี้ยหประการเนี่ยคนคนเนี้ยสามารถเอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้ ขอขยาย<ช>ความหน่อยค่ะอันดับแรกคือต้องมีศรัทธาศรัทธาก่อนใช่ศรัทธาอะไรบ้างคะศรัทธาเนี่ยพระเจ้ามุ่งไปที่ความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ศรัทธาในภูเขาลูกคเจดีสวนป่าศักศิษิ์น่ะต้นไม้อ ย, อย่างนี้อันนั้นคือศรัทธาที่ยังไม่เกิดประโยชน์ค่ ะ, ะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ แถ้าศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยหลุดพ้นได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นคือศรัทธาใช่ค่ะตามหลังจากศรัทธ า, าคือก็ต้องมีศีลศีลนะฮะมีศีลเนี่ยในความเป็นฆราวาสก็ศีลห้านะหรือจะเป็นอุโบสถ8ประการ <8. S 2> ก็ได้ใช่นะอันนี้ก็มาตรฐานคือศีลห้าเป็นเครื่องหนึ่งในเครื่องวัดความเป็นโสดาบันบุคคลค่ะนะจากนั้นก็ต้องมีการสั่งสมสุตตะคือได้ยินได้ฟัง ฟังก็ต้องฟังธรรมอีกแล้วมั้งคะต้องฟังธรรมฟังคำตถาคตนะจะได้เป็นผู้ได้สะดับในธรรมของตถาคตเพราะธรรมะที่ถูกต้องเนี่ยคือตถาคตเท่านั้นเป็นผู้บัญญัตินะก็คือใครจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของตถาคตค่ะทีนี้ก็คือจะต้องศึกษาพุทธว จ, จนะใช่ไหมใ ช, ใช่คือความจริงค่ ะ, ะความจริงที่ที่เมื่อคนรู้แล้วเนี่ย จะพ้นทุกได้ขอพระอาจารย์ขยายความศนะีลหน่อยค่ะศีลก็คือตัวศีลห้าเป็นมาตรฐานของความเป็นอุบาสกอุบาสิกานะที่มีคนถามพระเจ้าว่าความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมีได้ด้วยเหตุปิงเท่าไหร่ลุงก็บอกว่าคือการมีศีลห้าหรือมีอุโบโสถแปประการนะและศีลห้าก็เป็นหนึ่งในคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันถ้ามีศีลห้าคู่กับโสตาบันเปรีงคัตสี่ ค, คือความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การมีศีลนั้นเป็นที่รักของพระอริเจ้าสองอันนี้ถ้าใครมีให้พยากรตนเองว่าเป็นโสดาบันแล้วเป็นโสดาบันแล้วใช่ใช่อริบุคคลขั้นตน้นเพียงแค่มีศีลใช่ใช่ฟังใช่ล้มั่นคงในพระรันตนตรัยมั่นคงเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเนี่ยตรัสรู้จริงมีธรรมะอันประเสริฐจริงนะสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติเนี่ยไม่มีข้อผิดพลาดนะในวันเลื่อมใส อ, อย่างลงมั่นไม่มีแล้วว่าสมณะเทพนะพรมนะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆจะดึงศรัทธาของโสดาบันไปหาเขาได้โสดาบันไม่เชื่อโสดาบันจะอย่างลงมั่นในพระธรรมกฎจริงๆแล้วฟังดูสั้นๆง่ายๆแต่ว่าคนที่จะศรัทธาแบบไม่ครอนแคลนเลยเนี่ยคงจะต้องศึกษาอย่างมากและเมื่อศึกษาอย่างมากเนี่ยพระพุทธองค์คงจะ ตระหนักแล้วแหะว่าคงจะต้องเป็นคนที่ประพฤติได้ประพฤติดีอันนี้แล้วแต่อินทรีย์แต่ละคนคะบางคนฟังธรรมะทีเดียวเข้าใจอย่า ง, างเช่นภาษาลิบุตรเนี่ยฟังว่าเออทำทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่เหตุรตถาคาตบเหตุแห่งธรรมนั้นเนี่ยการเข้าไปดับเหตุเนี่ยจะทําให้ผลเนี่ยดับไปด้วยอย่างนี้ฟังปุ๊บเข้าใจเพราะอินทรีย์เนี่ยแก่กล้ามีทุลีในดวงตาน้อยก็แล้วแต่คนบางคนก็ต้องฟังมากสั่งสมสุตตะ ม, มาก ประพฤติปฏิบัติมากถึงจะเข้าใจนะแต่อย่างน้อยขอให้ได้ยินได้ฟังเรมใสแล้วก็ได้ยินได้ฟังคาศาสดาเดี๋ยวมันจะพัฒนาไปเองอย่างน้อยในช่วงชีวิตคงจะได้เป็นพระโสดาบันใช่ถ้ายังยึดมั่นและศรัทธาใช่ใช่อยู่อย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของศรัทธาค่ะในส่วนของศีลนะแล้วก็ในส่วนของสังสมสุตตค่ะ การสังสมสุตตะก็คือกลับมาได้ยินได้ฟังคำสัสดาอีกนั่นแหละคือพุทธวจนะก็คือต้องฟังต้องยำ้ำใช่ก็จะเกี่ยวพันกับความเริ่มสายศรัท ธ, ธาด้วยใช่เมื่อเราเชื่อว่าผู้เจ้าเนี่ยตัดสรู้จริงมีธรรมะที่ประเสริฐจริงเราก็จ ะ, ะเข้าไปเสพครบธรรมะของพระองค์คเข้าไปฟังฟังให้มากๆเสพครบมากนะอันเนี้ยเป็นหนึ่งในคุณ ร, รมจากนั้นเนี่ยก็จะมีจากกะ การให้การให้การเสียสละเพื่อละความเห็นแก่ตัวละความตรนนะีจุดประสงค์ของการให้ปกตินะแล้วเนี่ยการให้จาค่าหรือทานเนี่ยเหมือนกันไหมคะจาค่าหรือทานก็เหมือนกันน ะ, ะเพียงแต่เราเรามักจะพูดกันไปแบ่งแบ่งแยกแต่หลักก็คือการให้การเสียสละแต่การเสียสละนั้นเนี่ยจะเสียสละกับเดรัจฉานกับมนุษย์ที่ทุศิน หรือมนุษย์มีศิลมนุษย์ปราศจากกรรมนะมีสินเป็นอะไรบุคคลไล่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้ซึ่งก็จะมีอ น, นิสงส์ต่างกันบางทีเราก็เลยพูดว่าถ้าเราให้กับผู้มีศินก็จะเป็นเรื่องของทําบุญอย่างนี้ซึ่งถ้าบุญเนี่ยจะต้องโยงไปสู่เรื่องของบุญกิริยาวัตถุสามว่าอะไรคือบุญบ้างการให้ทานนะการรักษาศินการทําสมาธิล้วนเป็นบุ ญ, บญกิริยาทั้งสิน้นการให้ทาน คนที่ชั้นต่ํากว่าจนไปถึงผู้ทรงศีลนี่นะคะต่างกันไหมคะกับผลที่ได้จากผู้ให้ผู้เจ้าบอกต่างกันค่อนข้างมากค่อนข้างมากเพราะในการให้นี่ก็มีหลักของการให้อีกประการหนึ่งะใช่<ๆ>ใช่การให้พระองค์เปรียบเทียบให้ทานกับคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้แจกถาดเงินถาดทองเลยนะกับคนธรรมดาเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเลยผู้เจ้าบอกให้กับพระโสดาบันองค์เดียวมีอันนี้สูงมากกว่า ถ้าอย่างนี้การให้ทานกับคนทุกคนยากทั่วไปหรือคะก็หลักการเดียวกันนะเพราะคนบางคนเนี่ยทุศินหรือเปล่านะพระเจ้าเอาตัวตัวศีลน่ยมาเป็นตัววัดนะพราะอย่างนั้นคนที่ทุศินอย่งสมมุติว่าขอทานที่แก้งพิกลพิ ก, การอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนเดินผ่านแล้วก็เวทนาก็ให้ไปไม่ได้บุญไม่ได้กุศลไม่ได้อะไรเลยได้อย่างแต่น้อยนะบางคนบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่ รัศดาบอกว่าแม้แต่เทเศษน้ําล้างหม้อเนี่ยลงในน้ําโสโครกด้วยหวังจะให้สัตว์เล็กๆได้กินเนี่ยก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉนั้นเลยจะทํากับมนุษย์ด้วยกันภายใต้มนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็มีมนุษย์ที่ทุศีลนะมนุษย์ที่ปราศจากกรรมมีศีลมีศีลเป็นอริบุคคลอริบุคคลขั้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆแต่เพียงแต่ว่าผู้ที่ได้รับซึ่งเป็นคนทุศีลอยู่แล้วและการทุศีลทําให้ได้รับเนี่ยอาจจะบาปขึ้นไปอีก คนรับใช่ไหมคะคนให้นี่ก็ได้แต่ได้น้อยแต่คนรับเนี่ยเหมือนกับหลอกลวงเพื่อให้ได้มาอ่ก็ก็แล้วแต่บางทีเขาไม่ได้หลอกลวงแต่คนให้มีเมตตาจะให้เองอย่างนั้นก็มีอาจจะละเอียดหน่อยนะคะเพราะรู้สึกว่าในสังคมไทยการให้เหมือนเหมือนกับว่ามานำเรื่องการประพฤติตนหรือว่าการรักษาศีลด้วยซ้ำไปอ่าฮะค่ะทำไมข้อนี้ฟังดูแปลกนะคะโยมเคยเข้าใจว่าพุทธเจ้าเนี่ย ยกเรื่องทานนี่มาเป็นอันดับแรกเลยในหลายๆหลายๆประเด็นนะคะเพราะว่าเป็นเป็นพื้นฐานไงการจะพิจารณาว่าปล่อยวางตัวเราไม่ใช่ตัวเราเนี่ยแต่นี่ก็ยังของเราของเราของเราอยู่เลยเพราะมันมีตัวเรามันเลยมีของของเราก็เลยต้องค่อยๆวางจากของห ย, บหยาบๆก่อนคือของของเราก่อนเสียสละตามสติกำลังแล้วค่อยมาปล่อยวางร่างกายจากร่างกายค่อยปล่อยปล่อยวางนมามธรรมนะ นอกจากจาคะแล้วมีอะไรอีกคะจาคะปัญญ า, า ใ, นในเรื่องของที่จเจริญสองทางใช่หม<ช>คะก็มีจาคะก็ขยับขึ้นมาการมีปัญญาการมีปัญญาใช่ใชถ้าไม่จาคะนี่ปัญญาไม่ถึงใช่ั้ยคะผู้มีจาคะก็ถือว่ามีปัญญาระดับหนึ่งะมีปัญญาที่จะละความเจ<ม>นีของตัวเองค่ะนะแต่ปัญญาที่ผู้เจ้าบัญญัติเนี่ยจะตรงเข้าไปที่อริสสัต4ี คือการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปถ้าใครเห็นเกิดก็เห็นดับเนี่ยคนนั้นก็ชื่อว่ามีปัญญาถ้าเปรียบเหมือนนายขมังธนูก็คนเนี้ยิงแม่นนะยิงเข้าเป้าเลยนะการเห็นอริยสัจ ย, ยากไหมคะอริยสัจสำหรับคนทั่วไปในการไม่ไม่ยากเพราะว่าปรากฏอยู่ในในจิตของทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้เข้าไปสังเกตเหมือนเราไม่ได้สังเกตธรรมชาติเนี่ย ถ้าคนไม่สังเกตก็ไม่รู้ธรรมาชาติมันก็มีให้เห็นแต่ถ้าเมื่ อ, อไรเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยมาสังเกตจิตของตัวเองว่าจิตเนี่ยทำงานอย่างไรนะเกิดดับอย่างไรนั่นนะสังเกตอารมณ์ตัวเองว่าสุขขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดมันมีเวลาดับค่ะทุกเกิดขึ้นมาในใจก็ไม่ได้อยู่ตลอดมีเวลาดับคนนั้นเนี่ยสังเกตเห็นการดับไปของมันไหมสังเกตเห็นการเกิดขึ้นไหมคือสมุทยัย สังเกตเห็นการดับไหมเรียกว่านิโรธใครเห็นตรงเนี้ยเรียกมีปัญญาละและคนนั้นเนี่ยจะหลุดพ้นได้ เน้นในเรื่องสมาธิแต่ไม่ใช่ว่านั่งนั่งก็เป็นสมาธิยืนเดินนอนเป็นสมาธิหมดนะสติอธิษฐานการงานเป็นสมาธิหมดศินสมาธิปัญญามักแปพูดย่อเหลือสคือสินสมาธิปัญญาสมาธิต้องทําอยู่แล้วทุกอย่างใช่ทุกอย่างต้องอาศัยสมาธิแม้แต่การเห็นเกิดดับก็ชื่อว่ามีสมาธิแล้วนะสมาธิจะมี9้าระดับที่พระเจ้าบัญญัติไว้ นอกจากก้าระดับนี้ยังมีสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเช่นการที่เราทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาชื่อว่าเรามีสมาธิเหมือนกันท่านทิ้งเน้นคําว่านันทิใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะพระศาสดาเนี่ยเน้นคํานี้มากละนันทิคือละความเพลินนะถ้าไม่ละนันทิเราก็จะสังเกตการเกิดดับไม่ได้ใช่จะไม่เห็นการเกิดดับเพราะความเป็นเราเนี่ยจะเกิดไปพร้อมกับวิญญาณที่เกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยรเราจะมองไม่เห็นว่ามีอะไรเกิดอะไรดับ แต่เราจะไปสนใจสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาจิตก็เปลี่ยนแปลงไปผูกติดกับอารมณ์ไปทำให้ไม่เห็นการเกิดดับจึงต้องมีการทำให้จิตเนี่ยมีอารมณ์อันเดียวนิ่งอยู่ที่ที่เดียวและเมื่อจิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเขาจะต้องรู้ว่ามันเปลี่ยนจากความนิ่งตรงนี้ออกไปเขาจะเห็นจิตเกิดดับทันทีหรือเห็นอารมณ์เกิดดับค่ะในคารวาชเลอรเนี่ยท่านพูดถึง อ, อสัตกับสัตตบุรุษ เน้นตรงนี้เพราะอะไรคะศัตรูรุ่ก็คือคนดีแตัตรูรุ่ก็คือคนไม่ดีดังนั้นคนดีไม่ดีเนี่ยจะแยกจะวัดกันได้อย่างไรพระองค์ก็มีเกณฑ์เอาไว้เรื่องของกุศลกรรมบท10กับอกุศลกรรมมาบทสิบบอกว่าเนี่ยพวกเทพปรากฏสุกติใดๆปรากฏเพราะว่ากุศลกรรมมาบทและทุกติใดๆเนี่ยปรากฏเพราะว่าอกุศลกรรมบท ดังนั้นดีไม่ดีเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดเราจึงชี้ไปที่คําพระศาสดาว่าต้องที่พระศาสดาบอกว่าเกณฑ์วัดความดีคืออะไระเกณฑ์วัดความไม่ดีคืออะไรคไม่งั้นทุกคนก็มีเกณฑ์วัดกันทั้งนั้นโยมฟังตรงนี้ดูมันเหมือนกับมันง่ายแล้วก็สั้นไปอะคะ่ะเกณฑ์ของความเป็นสัตบุรุษและอสัตบุรุษเพียงแค่การประกาศความดีบิดเบือนความดีไม่ประกาศความชั่วแล้วก็เปิดเผยความชั่วทำไมันสั้นง่ายแค่นั้นไง มันไม่ง่ายที่คนคนหนึ่งจะมาเปิดเผยความไม่ดีตัวเองและจะมายกย่องความดีคนอื่นค่ะนะมักจะเปิดเผยความดีตัวเองนะทั้งที่คนไม่ถามใช่อย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ค่อยบอกความผิดตัวเองแต่ชอบไปบอกความผิดคนอื่นอย่างเงี้ยอ่าซึ่งก็พรเจ้าให้ให้เป็นเครื่องสังเกตว่าสัตว์ตำรุษเนี่ยเป็นยังไงอสัตว์ตรุจเนี่ยเป็นยังไง เราจะได้เลือกคบคนได้ถูกต้องทาไมไแค่เรื่องเปิดเผยความดีตนเองหรื อ, อ<า>ไม่หรือไม่เปิดเผยความพิีตนเองเ่ยสามารถวัดได้เลยว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีถ้าเขาอยู่นิ่นงเฉยเฉยอ่าฮะอันนั้นจะถือว่าเขาดีหรือไม่เป็นสัตตบุรุษหรือไม่สัตตบุรุษค่ะหรืออัศ ต, ตบุรุษค่ะเออนิ่งๆก็ยังยังตอบไม่ได้จนกว่าจะมีพรรสมากระทบนั่นแหละจึงจะแสดงว่าผู้นี้เป็นอย่างไรอย่างพระเจ้าบอกว่าคนบางคนเนี่ยนิ่งเฉยอยู่ได้ค่ะตอ่อเมื่อพรรษายังไม่มากระทบ แต่พอผัสสะมากระทบปุ๊บนิ่งไม่ได้ละคำว่าผัสสะเราใช้กับว่าเหตุได้ไหมคะใช่มีเหตุมีเหตุเหตุให้แสดงตนอ่าซึ่งมันเกิดจากอายจตนะทั้งสิ้นค่ะเช่นตากระทบรูปหูกระทบเสียงถูกว่ามาละนินทามาแลทนไม่ได้อ่าอย่างเนี้ยเนี้ยภัสสะที่มากระทบภัสสะที่มากระทบมีเหตุมาแะแสดงว่าความเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยอเป็นสิ่งสําคัญในสังคมที่พระพุทธองค์เนี้ยได้ตัดไว้เลยว่ามันมีความจําเป็นที่ต้องอย่างรู้ให้ได้ใช่ ผู้เจ้าจึงบอกว่าคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายค่ะบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายค่ะสัตตบุรุษย่อมเห็นสัตบุรุษคนดีเนี่ยย่อมเห็นคนดีอสัตตบุรุษก็ย่อมเห็นอสัตบุรุษเหมือนกันถ้าภาษาเวลรุ่นสมัยนี้เ<ช>ขาบอกผ<ช>ีย่อมเห็นผีค่ะ <laughs> ใช่ไหมผ <laughs> ีย en, ่อมเห็นผีทีนี้สัตบุรุษย่อมเห็นสัตตบุรุษก็คือว่าสังคมเนี่ยคนดีอยู่กับคนดีคนไม่ดีอยู่กับคนไม่ดีเพราพ<ช>ุท้เจ้าได้พูด ได้ได้ตรักมีพุทธวจนะที่พูดถึงการสนับสนนคนดีให้มีโอกาสมีที่ยืนที่อยู่ในสังคมไหมคะมีมีมีการไฟตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการที่ถ้าผู้ปกครองไม่มีธรรมเนี่ยค่ะมันจะทําให้ราชยุทธ์คือพวกราชการนะเกษตรกรนะทั้งหลายจนชาว<า>บ้านชาวเมืองเนายากางลำบากไปหมดใช่จะเกิดการทุสินมาด้วยนะ<พ>ไล่ตัไม่ชัดเจนขนาดนั้นใช่ใช่ ดูที่ผู้ปกครองดูที่ยุคไหนที่บ้านเมืองจะดีไม่ดีให้ดูผู้ปกครองไปลักดูผู้ปกครอ ง, งผู้ปกครองมีส่วนมาก mm hmm. นะมีผลมากมีผลกระทบมากนะและเมื่อผู้ปกครองไม่มีธรรมราชยุทธก็ไม่มีธรรมหมาหมาทั้งหลายไม่มีธรรมข้าราชการต่างๆไม่มีธรรมพ่อค้าวานิชไม่มีธรรมเกษตรกรไม่มีธรรมมันจะไล่ามาจนทั้งดวงดาวเนี่ยเดินแปลปนูนแล้วก็ส่งผลมาที่โลกว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารก็สุกแก่ไม่สม่ำเสมอ กระทบมาถึงมนุษย์เนี่ยกินอาหารแก่สุกไม่สม่าเสมอก็ทุกพลภาพผิวพรรณซามความดีของมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะซึ่งจะส่งผลต่อข้าวยากหมากแพงบ้านเมืองวิปริตใช่ทุกฝัง <ยน S 1> เลยฟ้าอะไรมันวิปริตแป บ, บปวนไปได้ขนาด น, นั้นใช่ใศิลธรรมเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะอาจารย์คะโยมโยมอาจจะใช้คําถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่คือสัตร บ, บุรุษในความรู้สึก ข, ของโยมเนี่ยมีความรู้สึก ว, ว่าสูงอะ่ะ แต่ว่าในสังคมคารวาสทั่วๆไปเราใช้คำว่าคนดีคนเดียวษัตบุรุษนี่ระดับเดียวกันไหมคะก็คล้ายๆกันนะเพราะพูุ้ทธเจ้าก็พูดกว้างมากพระพุทธ อ, องค์ได้ตรัสไว้ในเรื่องของการหาให้ที่อยู่ที่ยืนคนดีไว้บา้างยังไงบ้างคะเราสนับสนุนคนดีเนี่ยจะทำให้หมู่คณะหรือบ้านเมืองเนี่ยเข้มแข็งขึ้นในการปราบคนไม่ดีเนี่ยนะพระองค์แนะนาไม่ให้ใช้อาชญาศัตรูอาวุธ การค่าจองจำขังในประเทศอย่างนี้แต่จะให้สนับสนุนคนดีให้เติบโตขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะก็ด้วยพระองค์เกิดเป็นพรามชื่อเวลาม ะ, ะแล้วก็แนะนำนะพระเจ้ามหาวิจิตราชอย่างนีนะ้ก็เลยบอกว่าถ้าพวกข้าราชการเนี่ยให้เพิ่มเบีเ้ยเลี้ยงเงินเดือนให้ส่วนพวกพ่อค้าวานิชคนไหนที่ขยันขันแข็งก็พระราชทานทรัพย์เพิ่มให้ เกษตรกรก็เอาพืชพันธุ์ธัญญาหารวัวควายไปให้กับเขาค่ะสำหรับคนดีนะและคนขยันเป็นการสนับสนุนคนดีและพวกนี้จะเติบโตเข้มแข็งเป็นกำลังให้กับผู้ปกครองต่อไปน่าคิดมากนะคะก็คือไม่ต้องทําโทษคนไม่ดีไม่ต้องลงโทษคนไม่ดีห้ามโบยตีเคียนฆ่าแต่ว่า สนับสนุนคนดีแล้วพุทธองค์ก็ยังได้ตรัสถึงการสังเกตคนดีคนดีหรือสัตบุรุษแค่ง่ายๆแค่นั้นเองที่กล้าที่จะบอกความไม่ดีของตัวเองแล้วก็ไม่พึงที่จะพูดถึงความดีของตนเองหรอคะคือพูดให้น้อยพูดให้น้อยถ้าไม่มีใครถามก็ไม่ต้องพูดถ้ามีใครถามก็พูดนิดหน่อยเหมือนกับความดีเราให้คนอื่นเขาพูดแทนจริงเหรอคะอย่างนี้ให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนยากล่าวความดีของตนเองโดยละเอียด ถ้าเราเป็นคนดีห้ามพูดว่าโอ้โหพี่เนี่ยทำอะไรมามากนะน้องพี่เนีตั้งแต่สมัยเด็กพี่อย่างนั้นสมัยนี้พี่อย่างนี้ไม่ต้องพูดพูดสั้นๆใช่ถ้าเขาไม่ถามถ้าเขาถามก็พูดเล็กน้อยแล้วเวลาคนคนเขาขอประวัติเนี่ยนะคะโยมก็ต้องเขียนประวัติความดีห้าหน้าให้เขาให้ยศให้ลดเหลือแค่ครึ่งหน้าพอเหรอคะนิดหน่อยเอาแค่นิดหน่อยพอ ข้อสังเกตในเรื่องนี้คืออะไรทําไมพุทธ อ, องค์เนี่ยห้ามคะ่ะแหมถ้าเขาไปเขาทําดีจริงอะ่ะตั้งห้าหน้านะคะใช่คือถ้าคนคนอื่นได้พูดเนี่ยมันก็จะดีกว่าและถ้าเขาไปไปเจอความดีของเราที่เราไม่ได้บอกเนี่ยเขายิ่งน่าจะเขาจะซึ้งใจรู้สึกว่าเป็นคนดีจริงใช่ใช่มีความถ่อมตนหรืออะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องของความไม่ดีเนี่ยที่โยมพูดเรื่องเปิดเผยเนี่ยค่ะ ผู้ชาเคยตัดอย่างนี้ว่าผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษคแล้วทําคืนตามธรรมถึงความสํารวมระวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้นคือการที่คนมาเปิดเผยความดีแสดงว่าเขาเห็นแล้วว่าเนี่ยคือความไม่ดีเรียกว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษถ้ามาเปิดเผยความดีใช่ถ้ามาเปิดเผยความไม่ดีใช่ของตนเองของตนเองเขาจะเห็นแล้วว่านี้คือความไม่ดีไม่งั้นเขาไม่เห็นเนี่ย สำนึกแล้วว่าอย่างนั้นใช่บางคนไม่สำนึกว่านี่คือไม่ดีไงแต่ถ้าเข้ามาเปิดเผยแสดงว่าเขาสำนึกถ้าบุคคลสำนึกได้แสดงว่ามีโอกาสปรับตัวเองได้กับตัวกับใจได้ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเป็นอสัตคนไม่ดีก็มักจะพูดแต่ความดีของตัวเองและไม่เปิดเผยปิดบังไม่เปิดเผยและซ้ําจะปิดบังความผิดความชั่วของตนเองใช่ใช่ แม้ถูกถามก็จะไม่พูดไม่พู ด, พ, ดพูดถ้าพูดถวัตเจะนะจะคําว่าเลี้ยวรถเหรอคะอ่าหลีกเลี้ยวรถย่อนอย่างเนี้หลีกเลี้ยวรถยอน<ด>คือเขาก็ไม่ได้โกหกนะแต่เขาพยายามลดทอนน้าหนักให้มันลดลงไปเบี่ยงเบนประเด็นนะอะไรไปอย่างนี้หลีกเลี้ยวรถย่อนนะพวกนี้นี่ดูง่ายนะคะจริงๆแล้วอ่ า, อาคือถ้าเราฝึกตนมาแล้วเนี่ยเราจะดูง่ายถ้าคนไม่เคยฝึกไม่เคยทําอะไรตรงๆก็จะดูยากแต่ถ้าคนเคยฝึกฝืนใจ ฝึกขัดขัดกาวกิเลสตัวเองเนี่ยจะดูง่ายเพราะจะรู้ว่าเอ๊ะกิเลสมันดึงเราไปเนี่ยเราจะแก้ยังไงเราจะหลบหลีกยังไงคนที่ดูจิตตนเองอยู่เสมอนเนี่ยก็จะฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเหมือนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ใครสักคนหนึ่เนี่ยพูดยอมรับผิดพูดถึงความไม่ดีของตัวเองซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ซึ่งะะมันก็มีผิดมีชั่วกันได้แต่การที่จะยอมรับผิดเท่ากับว่านั่นคือได้ฝึกแล้วใช่และเมื่อเปิดเผยก็เหมือนกับปาวรณาว่าน่าจะไม่ทําผิดอีกแล้วละมั้งค่ะก็คือ ได้สํานึกแล้วว่านี่คือโทษค่ะเรียกว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วกระทําคืนตามธรรมแล้วก็บอกว่าจะสํารวมระวังต่อไปนะนี่แหละเขาต่อไปจ ะ, จะเจริญแล้วค า, ารวะโดยทั่วไปก็ต้องมองตรงนี้ให้ตรงกันด้วยนะคะ<ช>ว่าตรงไหนคือดีมนุษย์คนนี้คือสัตบุรุษมนุษย์ <หา S 2> ลักษณะแบบนี้คืออสัตบุรุษอแต่<ช>ถ้าคนทั่วไปมองไม่เห็นแบบนี้ที่อยู่ที่ยืนของคนดีจะไม่มีนะคะท่านนั้นก็ต้องส่งเสริมคนดีให้มากค่ะ ผู้เจ้าจึงให้ฝึกตนเองไงคือไม่ต้องฝึกคนอื่น่ะฝึกตัวเองฝึกตัวเองให้มากาอย่างเนี้ย มันต้องไปดูสินข้ออื่นเลยนะคะใช่แค่การประกาศความดีความชั่วแค่เนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าใครว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงใช่เนี่ยเป็นเครื่องสังเกตที่แม่นมากที่พระศาสดามองและมองจิตของคนทั้งโลกเข้าใจหมดแล้วแล้วก็มาประมวลแล้วก็บัญญัติออกมาค่ะแต่มนุษย์เนี่ยบางครั้งเขาบอกเป็นพวกเหยียบหิมะไร้รอยเป็นพวกเสือซ่อนเล็บดูยากนะคะว่าดีหรือชั่วมีวิธีการสกิดหรือกระทาะออกมาบ้างไหมคะตามพุทธวจนะผัสสะที่กระทบเป็นยังไงคะ เวลาคนพวกนี้กระทบภาษาแล้วเนี่ยจ ะ, จะเก็บไม่ได้ เ, ไมไดเมื่อมีภาษากระทบเนี่ยจะทำให้รู้ว่าคนนี้ถูกฝึกมาดีหรือเปล่าถ้าหากว่าเราถูกฝึกมาดีแล้วเป็นสัตบุรุษเมื่อมีคำติศินินทากล่าวว่าร้ายหลวงท่านตรัสว่าไงคะหลวงก็บอกว่าให้ใหมีส ต, ติตั้งใจฟังเขาว่าเขาเนี่ยพูดอย่างไรถูกหรือผิดนะแล้วเราจะได้แก้ไขไป นั่นคือพระองค์ให้แก้ต่างได้ว่าสิ่งนี้มีในเราสิ่งนี้ไม่มีในเราก็ไม่ใช่ว่าจะเฉยไปเสียทุกกรณีไม่ใช่ให้นิ่งไม่ใช่ว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และไม่ตอบไม่โตไม่อธิบายใช่ใต้องพูดต้องอธิบายใช่พูดอธิบายได้คือไม่ได้ผิดที่จะอธิบายแต่ถ้าไม่มีเหตุที่จะอธิบายหรือว่าไม่สามารถจะอธิบายได้นะหรือไม่มีการรับฟังก็ให้มีความอดทน โดยให้วางจิตเสมอด้วยผืนดินเสมอด้วยน้ำเสมอด้วยอากาศอย่างนี้พระองค์ก็จะอุบมาว่าผืนดินเนี่ยใครจะเอาขยะทิ้งลงไปที่ดินจะเอาเท้ากระทืบผืนดินเอาจอบไปขุดบ้วนน้ำลายใส่ผืนดินก็เฉยเฉยแม่น้ำก็เหมือนกันคนจะเอาขยะทิ้งลงน้ำปัสสาวะอุจจาระลงน้ำน้ำก็เฉยเฉยอย่างนี้นแต่นั่นหมายถึงว่าคุณต้องเป็นสัตว์บุรุษนะ แต่ถ้าไม่เป็นสัตรบุรุษถ้าไม่เป็นสัตรบุรุษคงนี่อย่างนั้นไม่ได้หรอมังคะจะทํายากถึงแม้จะทําได้ในกายวาจาใจาเพียงบางส่วนแต่ในจิตเนี่ยก็จะฟุง้งซ่านเอามาใช้ได้ด้วยกันได้ไหมคะในบางบทบอกว่าถ้าหากว่ามีจิตคิดลา ม, มกคําว่าลา ม, มกหมายถึงทุจริตจิตใจคิดในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะถูกทวงนี้ตลอดคํานี้ก็เป็นเป็นเรื่องสํานวนการแปล จริงๆแล้วในบาลีก็ใช้คําว่าปลาปากานังอกุศลานังบาปอากุศลทั้งหลายดังนั้นถ้าเราคิดในเรื่องบาปอากุสลทั้งหลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเกิดเป็นอนุสัยความเคยชินที่จะติดตามเราไปเวลาเราทํากายทุจริตวจีทุจริตเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยผู้เจ้าบอกวิปัิสารความเดือดร้อนใจมันจะเกิดขึ้นสิ่งนี้แหละที่เป็นการถูกทวงนี้เราจะไปป่าก็ตามไปภูเขานะไปชืเงื้อมผาก็ตาม มันจะถูกทวงนี้จิตจะคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเราไปนั่งดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกมันก็จะหลุดไปคิดเรื่องนี้จะติดคุกไหน อ, อจะติดคุกไหมนอง ไ, ไม่ใช่พูดโทนะคุกไหมนองคุกไหนองถ้า อ, อย่างนี้พูดได้ไหมคะว่าอาสัตต บ, บุรุษเนี่ยถึงแม้ว่าจะฝึกมาเพื่อที่จะข่มเพื่อที่จะปิดความชั่วในตัวเองเนี่ยแต่ก็จะถูกทวงนี้ในใจตลอดเวลาใช่จะถูกทวงนี้ในใจอเป็นกรรมใช่เป็นกรรมเป็นมโนกรรม มโนกรรมใช่ซึ่งมโนกรรมให้ผลทันทีทุกใจใช่ไหมคะใช่ทุกใจแล้วก็เป็นพบแล้วด้วยสถานที่เกิดแล้วถ้ากายตายไปในขณะนั้นเขาได้อัตภาพไปตามนั้นแล้วตามที่จิตนรกเป็นที่ตายตระบยภูมิเป็นที่หมายใช่ใช่พอพระเจ้าตัดเนี่ยถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริ ถ, ถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิ ญ, ญญาณ ขณะที่เราคิดนึกเรื่องอะไรเนี่ยวิญญาณไปตั้งแล้วนะดวงจิตดวงสุดท้ายไปเลยอ่าถ้าเกิดเราตายปุ๊บเนี่ยตรงนั้นคืออัตภาพภายหน้าเราทันทีถ้าหากว่าเป็นสัตว์บุรุษถ้าหากว่าเป็นคนดีในใจก็คิดถึงแต่เรื่องดีไม่ได้ติดหนี้ใครนะเราได้อิ่มแล้วนะในการทําความดีไม่มีอะไรที่หลงเหลือในชาตินี้พบนี้แล้วที่คิดว่าเป็นความดีแล้วไม่ได้ทํามันก็โล่งสบายอ่าถ้าจะต้องไปก็คือคงจะไม่ต่ําลงไปแล้วมั้งคะท่าน ต้องระดับโซดาบันถึงจะไม่ไม่ต่ํากว่ามนุษย์ลงไปที่ว่าประกันร้อแน่นอนแต่ถ้ายังไม่ถึงโซดาบันบุคคลเนี่ยสติที่ไปของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีความแน่นอนแล้วแต่ ใ, ในเวลานั้นว่ามีสติหรือเปล่าใช่พระศาสดาเปรียบเหมือนการเหวี่ยงท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศค่ะบางคราวก็เอาโคน ล, ลงบางคราวเอาท่ามกลางลงบางคราวเอาปลายลงนะ<ย>มไม่ไม่คน่นอน่ามัน่นอนไม่แน่นอนไมทําดีมาตลอดออถ้าเกิดแบบมีนันทิ เพลินเพลินอยู่และเกิดดับขึ้นมาก็ลงต่ำนะคะท่าน uh huh. uh huh. เราเลยต้องสร้างความคุ้นเคยโอกาส <c oughs> มันน้อยแต่มันเป็นไปได้และจิตเนี่ยเกาะอะไรเช่นเอามือเอามือจับผ้าก็ต้องบอกว่ามีผ้าในมือ <c oughs> เอามือจับไม้ก็ต้องบอกว่ามีไม้ในมือจิต <c oughs> จับอะไรก็คือมันไปตั้งตรงนั้นแล้วที่พระศาสดาเปรียบจิตหรือวิญญาณเนี่ยเหมือนมเมล็ดพืช <c oughs> กรรมเนี่ยเปรียบเหมือนผืนนา มเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาก็คือมันไปตั้งตรงนั้นแล้วมันจะงอกอยู่ที่ผืน้นนาตรงนั้นก็แล้วแต่ว่าในตอนนั้นเราไปจับอะไรได้ใช่ใช่ใช่ค่ะถ้าคิดอยู่สูงถ้ามีส ต, ติไปในทางที่ดีก็ทางที่ดีาาพระอาจารย์คะทำยังไงที่เราจะทำให้คนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยเห็นชอบคิดชอบไปในทางเดียวกันคะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กักบคนด้วยการที่ให้คนเนี่ยมีธรรมะ คนจะมีธรรมะได้ก็คือให้เป็นผู้ได้สดับในธรรมธรรมะของกายของตถาคตก็ต้องประกาศคําตถาคตให้มากพระองค์จึงมองผู้ที่ประกาศคําตถาคตเนี่ยเป็นรัตนห้ารัตนห้ใช่คือพระพุทธเจ้าผู้ประกาศคําตถาคตผู้รู้แจ้งในคําตถาคตผู้ประพฤติทำสมควรแก่ธรรมในคําตถาคตผู้มีความกระตันอยู่แก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลก ถ้าคนคนนั้นเ น, เนี่ยประกาศคําตถาคตไปเรื่อยๆโอ้อันนี้สงเกิดมากใครได้ยินได้ฟังปุ๊บหลุดพ้นหลุดพลล้นหรือเป็นคนดีขึ้นม า, าอย่างเนี้อยอ ย, อย่างมีโยมคนหนึ่งที่นั่งดูทีวีคอัตมาบรรยายนิยธรรมกำลังกินเหล้าเมาอยู่เลยควางแก้วไปเลยเ ล, เลิกเหล้าอย่างนั้นเลยอย่างนี้อกลายเป็นคนที่เลิกเหล้าไปเลยจากที่กินมาสามสิบสี่สิปีแต่จริงๆเราก็รู้อยู่แล้วแค่สินท่าก็บอกแล้วว่าไม่ให้เสพไงคะสุราเมรยะเนี่ยค่ะ ทำไมเขาไม่ซึง้งพอได้ยินคํา่าผู้ทธเจ้าถึงจะซึ้งหรอคะถึงจะเลิกได้จริงจริงมันเป็นคำที่ที่ถูกเรียงร้อยมาเป็นอย่างดีมันทําให้ผู้ฟังเนี่ยมันเกิดความปิติใจทราบซึ้งใจได้เหมือนพ่อมาสอนจริงจริง <c oughs> <c oughs> อย่างนั้นหรอือกนะมันก็ความสําคัญมันอยู่ที่บทพันธะที่พระศาสดาเรียงร้อยมาเป็นอย่างดี <c oughs> ที่พระองค์เรียกอนุสาสนีปฏิหาร <c oughs> ซึ่งจะเป็นใครนํามาพูดก็ได้นะจะได้ผลเท่ากันนะ ซึ่งพระองค์บอกว่าสาวกนำมากล่าวก็ได้หรือได้ยินจากพระองค์โดยตรงก็ได้อย่างนี้ท่านคะมีคํามีเรื่องมนุษย์ผีด้วยค่ะ ม, <laughs> มนุษย์ผีกับทางไปธุลีหรือว่าอสสัตวบุริษต่างกันยังไงคะก็คือพวกอกุศลทั้งหลายแหละพวกที่ไม่สร้างความเป็นกุศลคือคคกุศลกุศลกรรมบทสิบอย่างนี้ เพราะั้นถ้าเราสร้างอากติศลกรรมาบทศิษก็เป็นเหตุให้อบายทุกขติวิิบัตินรกเกิดขึ้นนะในคารวาชเลิรเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีเรื่องการวางจิตเมื่อถูกกล่าวหาการวางจิตเมื่อถูกกล่าวหานี่สําคัญไหมคะสําคัญอยู่ก็เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกันได้ออนะถ้าเราถ้าเราวางจิตเป็นเนี่ยนะการทะเลาะเบาแวงก็จะไม่มีนะอนุสัยอกุศลต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นในจิต ท่านคะหลักดํารงชีพเพื่อประโยชน์สุขหลักดํารงชีพเพื่อประโยชน์สุขก็ที่ที่เราอธิบายไปแล้วออใช่ใช่นั่นคือประโยชน์สุขทั้งส่วนตัวและก็ส่วนรวมเลยใ ช, ใชถ่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยบริจาคและถึงพร้อมด้วยปัญญาใช่นะถ้าสังคมไหนเ่ยคนขาดสี่อย่างเนี่ยมันจะเป็นทางที่ทําให้สังคมนั้นมีความแปรปรวนไหมคะมีความแปรปรวนเพราะว่าปัญหามันเกิดจากตัวบุคคล ถ้าตัวบุคคลไม่ดีแล้วเนี่ยสังคมมันก็จะไม่ดีด้วยท่านดูสังคมไทยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะประเมินลําบากอะ่ะเพราะว่ า, าข้อถามตรงนี้ก็แล้วกันมีคนที่เริ่มไม่เชื่อว่าเวรกรรมมีจริงหรือว่าทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในฐานที่เราเป็นสังคมพุทธเนี่ยถ้ามองตรงนี้ท่านคิดว่ามันเกินไปไหมคะกับสังคมไทยที่ที่มีความคิดแบบมีเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นที่เป็นปรากฏการณ์เนี่ยคะ่ะ ก็เพราะเขาเอาตอมาคิดว่าโดยตรงๆเลยคือเขาไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะคำแท้ๆของพระศาสดามันจึงมีข้อแย้งได้มันเป็นคําที่ยังไม่ประกอบด้วยเหตุผลเพราะคําที่สาวกผลิตขึ้นบัญญัติขึ้นอย่างเงี้ยมันจะไม่ประกอบด้วยเหตุผลมันมีรูรั่วช่องโหว่ให้ถูกแย้งได้แต่ถ้าเขาศึกษาคําตถาคตจริงๆเนี่ยเขาจะหาข้อแย้งไม่ได้เลยคํามันจะแน่นมากจะประกอบด้วยเหตุผล พระเจ้ายืนยันคำพระองค์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นระเบียบแห่งถ้อยคํากําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่มีพลาดอย่างเช่นคําว่าเวรกรรมมีจริงาาาาพุทธ ว, วจะนะว่าอย่างไรคะธรรมะจากพระโอษฐ์ในเรื่องของของเวรกรรมเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าเวรเนี่ยไม่สามารถระ ง, งับได้ด้วยการ<อ>ผูกเวรหรือจองเวร น, นะแต่ระ ง, งับได้ด้วยการไม่ผูกเวรในยุคไหนก็ตามเนี่ย เวรไม่สามารถระงับได้ด้วยการผูกเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่ผูกเวรซึ่งมันก็ตรงจริงแน่นอนถ้าเรามีการให้อภัยเนี่ยเวรระงับได้แต่ถ้าเราไม่ให้อภัยเนี่ยไม่มีทางระงับกันได้นะอย่างนี้เป็นต้ น, นหรือว่าในเรื่องของกรรมเนี่ยคนเข้าใจผิดเพราะคนเราเนี่ยไปมองแบบฉาบเฉวยคิดว่าทําดีไม่มีผลนะเพราะว่าเรามองแค่ระยะสั้นๆั้นและเราไม่รู้น้ําหนักของความดีว่าพราะองค์เนี่ยจำแนกไว้ยเยอะ ซึ่งพระองค์บอกว่าคนเราเนี่ยทำความดีเหมือนกันหรือทําความชั่วเหมือนกันอาจได้รับผลไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าเหตุปัจจัยเก่าของแต่ละคนเนี่ยที่ไม่เท่ากันเช่นพระองค์บอกอุปมาเปรียบเหมือนการเอาเกลือเนี่ยใส่ลงไปในแก้วน้ำเนี่ยน้ําในแก้วเนี่ยก็จะเค็มแต่เอาเกลือในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยใส่ลงไปในแม่น้ําคงคาแม่น้ําคงคาไม่เค็มเหตุปัจจัยคนนี้สร้างมาดีมาก คนคนนี้สร้างมาไม่ดีเขาก็จะรับผลไม่ดีนะอย่างนี้เป็นต้นและกรรมเนี่ยต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่ากรรมเนี่ยคือเจตนานะเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมค่ะนะดังนั้นตัวเจตนาเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกบางทีการกระทําของเขาเนี่ยไม่ได้มีเจตนานะเราทึ่ไม่เห็นผลนะที่เกิดขึ้นกับเขาใช่ไหมคะเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาใ ช, ใช่แล้วก็น้ําหนักของการกระทำเนี่ยที่มีน้ําหนักมากเนี่ย ก็คือน้ำหนักที่ทำกับผู้ที่มีศินนะอ่า อ, อย่างนี้ถ้าทำกับเดรัชานก็ก็มีผลกระทบน้อยอันนี้สูงน้อยค่ะนะระยะเวลาในการให้ผลนี่ก็จะนานออกไป ศึกษา uh huh. พุทธวจนะธรรมะจากพระโอษ์จริงๆใช่ใช่ทให้เข้าใจเรื่องกรรมผิดเช่นในเรื่องของอคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลจึงทําให้มีการาไปบนบานสารกล่าวดูหมอดูเลิกดูยามปลุกเสกแก่กรรมแก้กรรมแบบต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะเพราะคิดว่าจะมีสิ่งอื่นเนี่ยมาดับกรรมหรือแก้กรรมให้เราได้หรือมีสิ่งได้สิ่งหนึ่งเนี่ยพึ่งพาที่เราจะเข้าไปพึ่งพาได้ค่ะ จะเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขังต่างๆก็ตามอย่างนีอ้อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่จะต้องแก้ให้ได้อย่างนี้เป็นมิจฉาถือเป็นมิจฉาทิฏฐิเหรอคะถือเป็นมิจฉาทิฏฐิในระดับที่จะเข้าสู่โสดาบันแต่ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นในแบบของบุคคลทั่วๆไปที่จิตยังสแสวงหาที่พึ่งถ้าลงไประดับเปรียบเทียบกับมิจฉาทิฏฐิคือจิตไม่หาที่พึ่ง พวกนี้จะไม่เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีตายแล้วจบกันค่ะพวกนี้จะเปรียบเทียบกับสมาธิที่เบื้องต้นที่สแสวงหาที่พึง่งแต่ยังพึ่งผิดอยู่ออย่างนี้ถ้าไมต้องการบรรลุโสดาบันอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติชแต่ถ้าคนที่ต้องการเป็นโสดาบันอันนี้ถือว่าเป็นวิชาทิฐิเลยใช่ใช่ก็ถือว่าเป็น<ช>เป็นทนทางตัดเหมือนกันนะค ะ, ะเพราะจะเข้าโสดาบันไม่ได้ จะเข้าถึงสัจจะความจริงไม่ได้ค่ะแต่ทีนี้โดยคนทั่วๆไปเนี่ยเขามองความทุกข์ความสุขหรือว่ากรรมเนี่ยนะคะทำดีได้ดีช่วได้ช่วยในระดับปรากฏการณ์อาจจะดูกันที่ทรัพย์สินเงินทองอะค่ะทรัพย์สินเงินทองมันเป็นตัวบ่งถึงกรรมดีกรรมไม่ดีหรือเปล่าคะสำหรับคนที่มีอะค่ะบ่งระดับหนึ่งว่าอดีตเคยเคยสร้างเหตุปัจจัยดีมาค่ะแต่ก็ไม่ได้ประกันว่าปัจจุบันเนี่ยจะดำรงต่อได้ คนที่มีทรัพย์ในในชาตินี้ทั้งมีทรัพย์แล้วก็ทั้งอะไรอ่ะหน้าตาดีอะไร อ, ะอย่างเงี้ยนะคะรูปงามผิวพรรณงามมีพกสมบัติมากมีทรัพย์มากเนี่ยหรือสูงสักเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเคยสร้างกรรมดีมาก่อนในชาติที่แล้วในชาติที่แล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วมาหลายๆชาติอ๋อค่ะเช่นว่าอย่างพระศาสดาบอกกับพระนางมาริการว่าถ้าไม่มักโกรธไม่มักไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าไม่มากก็ไม่ขัดเคืองไม่หุนเฉียวไม่กระพร กระเฟีเนี่ยพวกนี้จะได้ลูกนามผิวพรรณงามค่ะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ให้ข้าวน้ําผ้ายุดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไลที่นอนพวกนี้จะพกสมบัติมากให้ใครคะให้แก่สมณะหรือพราหมณ์ของหอมด้วยหรอคะสมณะพราหมณ์หรือว่าในยุคนั้นนะของหอมก็เช่นเอาดอกไม้ทุกเทียนอ่าพวกนี้ที่มีกลิ่นหอมใช่ถือเป็นการบูชาอย่างสูงอย่างหนึ่งเป็นบูชาเป็นอามิตบูชาอามิตบูชาเพราะถ้าบูชาอย่างสูงต้องปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาค่ะ พวกนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเห็นคนก็เขาดูรวยดูสวยนั่นคือกรรมเก่าเขากรรมเก่าเขาและไอ้กรรมของคนสวยที่มาทําไม่ดีในชาตินี้นจะไประปรากฏเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบพระนางมาริกาก็เลยบอกว่าสงสัยเนี่ยแ ต, แต่ก่อนตัวเองเนี่ยคงเป็นคนขี้โกรธเลยไม่สวยเอาเป็นคนขี้เลยแล้วคะนางมาริการ์นางมร า, างมริกาเนี่ยไม่สวย<ะ>แต่โภกระทย์มาก แล้วก็สูงสักอ่าไอ้อย่างนี้ทําอะไรมาครับกข้าศัพท์มากแล้วสูงศักเนี่ยคือพวกข้าศัพท์มากก็คือจําแนกแจกทานให้ให้ข้าวน้ําผ้ายศยานระเบียบของหอมแต่ตอนให้อาจจะางอบ่นไปด้วยของมาช้าจังฉันทําบุญไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นเหตุใช่ใช่เหมือนกับคนที่ไปเกิดเป็นเดรลฉานเนี่ยค่ะผู้จ่าบอกคนเนี้ยทุศินแต่ให้ทานมาก ก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ได้ทรัพย์ของเดรัจฉานหรนะคะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นเป็นสัตว์ต่างต่างแต่ได้ทรัพย์ของเดรัจฉานเช่นไปเกิดในเป็นสุนัขบ้านคนรวยอย่างเนี้ยอ๋อบางคนบอกว่าเป็นหมาบ้านคนรวยเนี่ยสบายกว่าเป็นคนจนอีกอ่าฮะพวกนี้มาจากไหนคะก็คือพวกให้ทานพวกให้ทานแต่ทุศิลอาอ๋อมีความเชื่ออย่างหนึ่งจากการวิจัยอะนะคะว่าถ้าหากว่าทุจริตมาได้เงินได้ทองมาและมาทําบุญเนี่ยค่ะเป็นการล้างบาป ถ้าหากว่าทํำอภิษฐรทวัฒนะมาอธิบายอ่ะคนกลุ่มนั้นเกิดเป็นเดรัจฉานนะคะเพราะว่าทุศีลทุจริตมาแล้วเอาเงินเอาทรัพย์ไปบริจาคอทรัพย์ที่บริจาคจากการได้มาโดยที่ทุจริตหรือได้มาโดยไม่ชอบก็จะมีอนิสง์น้อยอีกเพราะว่าอนิสง์ของทานเนี่ยจะขึ้นอยู่กับผู้ให้ค่ะผู้รับแล้วก็ฐานที่ได้มาค่ะ ก็มีละเอียดตรงนั้นอีกผู้ให้ให้โดยเจตนาที่ให้มีศีลไหมมีศีลไหมเจตนาดีไหมให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนหรือเปล่าให้ของที่เป็นเด่นไหมเห็นผลที่ที่จะพึงมาถึงแล้วให้หรือเปล่าอย่างอย่างพวกที่ชอบเอาถุงยางชีพหมดอายุไปแจกนี่ก็กรรมสีครับก็ต้องมีกรรมหรือวคนที่ได้รับถุงยางชีบที่ไรหมดอายุทุกทีคนรับก็มีกรรมคนให้ก็มีกรรมใช่เป็นทานของอสัตต์บุตร แล้วแถมเงินที่เอามาซื้อถุงยางชิปอันนี้พูดกรณีทั่วไปนะคะแถมเงินที่มาซื้อถุงยางชิปก็เป็นเงินที่ทุจริตไปอีต่างหากอฮนนี้จะไปเกิดเป็นอะไรดีค่ชาตินะคบวงจรแบบนี้เงินก็ไม่ดีของก็เน่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้ก็หวังประโยชน์เฉพาะหน้าปลายทางก็ศิลก็ไม่ดีค่ะทานที่เจตนาก็ไม่ดีอ่ากุศลก็น้อยค่ะดังนั้นการที่จะอ่า ได้ทรัพย์จากเดรลฉานก็ได้น้อยไปตามลําดับอย่างนีน้น่าสนใจนะคะที่บอกว่าเป็นเดรลฉานบ้านคนรวยจริงๆริเหรอคะมันจับได้ชัดเจนขนาดนั้นอันนี้อาตมายกตัวอย่างให้ดูเฉยเฉยแต่พระองค์ตรัสแค่ว่ า, าจะได้ทรัพย์ของเดรลฉานจะได้ทรัพย์ของเดลฉ า, านใช่ใช่นี้เดลฉานเดรลฉานมีทรัพอะไรบ้างค่ะเช่นอาหาร ที่อยู่อาศัยเนี่ยความเมตตาความรักอย่างสม่ำเสมอก็คงมีแค่นั้นนั่นเองจริงๆตอบได้จริงๆพุทธวจนะเนี่ยตอบได้ทุกเรื่องเลยนะคะต้อยังได้ทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเพราะว่าทั่วโลกธาตุเนี่ยความเห็นของมนุษย์ทั่วโลกเนี่ยพระเจ้าตอบไปหมดแล้วค่ะรู้ว่ามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมีความเห็น62แบบบัญญัติไว้ละเอียดละออหมดคนเนี่ยนะคะหกสิบสอแบบคนทั่วโลกเนี่ย คิดไม่เกินนี้คิดไม่เกิน62สิบอแบบโยมคิดว่าร้อยแจำพวกซะอีกแค่ห2แค่ห2สเรียกทิฏิ62ความเห็น6ิบแบบใช่ถ้าเราศึกษาจะไม่มีเกินอะไรไปกว่านั้น18มอมงกุฎก็อยู่ในนั้นใช่ๆ่ท่านเน้นให้คนศึกษาพุทธวจนะด้วยเหตุผลใดค่ะด้วยเหตุผลที่พระศาสดาเป็นผู้เน้นพระศสดาตรัสเองว่าสุตตันต์เหล่าใดเนี่ยที่นักวีแต่งขึ้นใหม่เนี่ยร้อยกอง อักษรสลัดสลวยเป็นัชนะวิจิตเนี่ยหรือคําสาวกเนี่ยอย่าไปฟังพระองค์ตัดเองและพระองค์บอกว่าสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นลูกุตระว่าเฉพาะรวงวิสุทตาเนี่ยเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยวฟังแล้วก็ด้วยสิทธะสูตรที่เรารวมไว้ให้เนี่ยอย่างตัวนี้จะเป็นเหตุผลทั้งหมดเลยว่าทําไมต้องเป็นพุทธพจนะเพราะพระพุทธเจ้าตัดไว้เองทั้งหมดเลยความสามารถของพระพุทธเจ้าในการ กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดคําเป็นอากาลิโกคําไม่ขัดแยง้งซึ่งสาวกเนี่ยทำไม่ได้เราถึงเห็นว่าสาวกแต่ละคนพูดไม่ตรงกันพูดขัดแย้งกันไงใช่ไหมก็เลยเวลาคุยธรรมะการต้องถามเธอสํานักไหนเธอสายไหนเพราะมันไม่ตรงกันแต่ถ้าออกมาจากผู้เจ้าเนี่ยมันจะไม่มีขัดแย้งกันเนี่ยอ ะ, อะไรที่ทุกวันนี้เถียงกันมากที่สุดเพราะไม่ศึกษาพุทธวจน ะ, ะเยอะมากเลย เกืบทุกเรื่องเลยที่เกิดความแตกต่างในพุทธศาสนาเป็นเพราะไม่ศึกษาพุทธวิชนะตั้งแต่เรื่องพิธีกรรมอะเรนะเรื่องพิธีกรรมการเข้าใจผิดในเรื่องของ เ, อเดราชานวิชานะคิดว่าการปลุกเสกการทำน้ำมนต์การสะดอเคราะดูเลิกดูยามเป็นมงคลแต่ผู้เชา้าบอกนี่เป็นเดราชานวิช า, าอย่างเนี้ยนะหรือการอุทิศบุญกุศล ต้องไปเตรียมน้ําเตรียมแก้วแต่ผู้เจ้าบอกต้องเตรียมจิตให้ปราศจากนิวรณ์มันไปคนละเรื่องการทําสมาธิไปเขย่าตัวบ้างโยกโครงตัวมีคําบริกรรมบ้างซึ่งผู้เจ้าไม่เคยสอนเท่ากับผู้ทธบริษัทกําลังเดินทางผิดไปเรื่อยๆเอยฉเออกไปเรื่อยๆนอกทางเขากําลังสร้างเหตุปัจจัยผิดเหมือนกับที่พระองค์บอกบุรุษต้องการน้ํามันแต่เอามะเลศทรายกรวดไปเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ําเอามือคันมลศทรายเขาไม่ได้น้ํามัน แต่ถ้าเขาเอาเมล็ดงาเกลียลงในรางปะพรมน้ําเอามือคันเขาต้องได้น้ํามันมเขาสร้างเหตุผิดไม่ได้สร้างเหตุถูกได้เนี่ยเราจึงชี้ไปที่พุทธวจนะมันเป็นการชี้ว่าคุณกําลังสร้างเหตุถูกหรือเหตุผิดอย่างนี้พุทธวจนะในฉบับที่คนสามารถศึกษาได้มากที่สุดเป็นฉบับไหนคะก็อยากให้เป็นเรื่องของปฐมธรรมมันรวมทั้งหมดปฐมธรรมใช่มันจะรวมในเรื่องของการ ชีวิตความเป็นอยู่ของคารวะที่ดีควรทาอย่างไรไล่เรียงไปจนถึงการประพฤติปฏิบัติจนถึงมรรคผลนิพพานเลยเนี่ยถ้าจะเอาแบบเล่มรวมก็คือเล่มนี้เล่มเดียวก็ได้สัส้นๆเป็น<ช>คู่มือได้เลยใช่เป็นคู่มือได้เลยค่ะแล้วถ้าจะให้ตอบคําถามก็เป็นชุดที่ท่านรวบรวมไว้ใช่ใช่ทั้งหมดสิบเล่ม<ช>นะคะใช่เป็นพุทธวจนะในข้อที่คนสนใจแล้วก็สงสยัยใช่ที่เป็นประเด็นทั้งหมดน ะ, ะว่าเออ โซดาบันเนี่ยจะวัดกันยังไงอะไรบุคคลเนี่ยคู่มือโสดาบันใช่จะมีทั้งหมด50กว่าในยะที่ผู้เจ้าตรัสแก้กรรมจะแก้กันยังไงนะวิธีการภาวนาผู้เจ้าสรรเสริญอะไรเช่นอนาปา่าและต้องทํำยังไงะจะรวบรวมมาไว้ทั้งหมดอนาปานาสตใิใช่ใการสาธยายรมเนี่ยสวยดสารพัดคาถาเนี่ยจำเป็นต้องสวดไหมนะกลายเป็นชาวพุทธเนี่ยไปสวดในคําที่แต่งขึ้นใหม่ไปรักษาข้อวัดที่ใครก็ไม่รู้บัญญัติขึ้น แต่ถ้าจะรักษาบัญญัติของาศาสดาก็คือสวดปฏิจจสมุปบาทาเป็นบทที่พระศาสดาสวดด้วยพระองค์เอง ห, อหลักในการไม่ประมาทที่โรร่งทิ้งไว้ ส, สังว่าก่อนปเนิณิพานคือว่าอย่าประมาทหกสิบพระสูตรเลยเหรอใช่ซึ่งเราจะเห็นความสอนรับกันทั้งหมดเลยว่าผู้เจ้าเนี่ยสอนให้ละนันทิละความเพลินจะไม่มีการสอนให้จิตเนี่ยไหลเพลินไปกับอารมณ์ซึ่งจะมีการสอนผิดในเรื่องนี้กันมา ่อยางรัตนันทิได้เนี่ยจะไปในทางที่ดีหลายด้านนะคะหลายด้านเลย <c oughs> นะคะตัวเดียวนี่อยู่เลยตัวเดียวอยู่เลยท่านถึงเน้นตรงนี้ไว้อย่างมากเลยทีเดียวค่ ะ, ะถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจที่จะมากราบนวสการนะคะแล้วก็มาฟังธรรมก็เชิญได้นเลยค่ะที่วัดนาปราบคงอยู่คลองสิบคลอง10บลำลูกกาคลองสิบลำลูกกาค่ะ นะคะมาก็จะเป็นเป็นวัดที่สงบสง่านะคะรียบง่ายอีกวัดหนึ่งค่ะกราบวสการค่ะอืมเรียนไ่อนค่ะวันนี้รายการธรรมนิยามนะคะเปิดอีกแง่อีกมุมหนึ่งของพุทธศาสนานะคะเรื่องของพุทธวจนะซึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งที่อยากให้ศึกษาทําความเข้าใจและเช่นเดียวกันค่ะว่าต้องนํามาปฏิบัติค่ะเพื่อถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ